พระธรรมเทศนาแผ่นที่8 9ดสาลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่16พฤศจิกายน2558มีชื่อเรื่องว่าบุญนำทางวันนี้เป็นวันที่16 พฤศจิกายนพุทธศักราช2558หลวงพ่อได้หนีออกจากวัดไปทำศาสนากิจตั้งแต่วันที่สิบวันที่สิบได้ออกไปทำธุระวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสองสิบสาม จนถึงวันที่15เมื่อคืนมาถึงวัดมาถึงวัดหทุ่มกว่านะลูกหลานนะกว่าจะได้นอนก็6กทุ่มมาจากกรุงเทพเมื่อวานนก็เป็นเมื่อวานในทอดกระถินอยู่ที่วัดพิชัยพัฒนารามบางพลีเพื่อถอดเมื่อทอดกระถินแล้วก็ เททองพระประธานเสร็จแล้วก็พักพักยกพอตอนบ่ายศรัท ธ, ธ, ธ, ธาญาติโยมผู้ที่เนี่ยนะผู้ที่มาช่วยให้เราได้โฉนดที่ดินของวัดคุณนิรศพีเคยได้มรณะไปหยุดแล้วก็ประชุมเพลิงเมื่อวานพระราชทานเพลิงเมื่อวาน ที่วัดเครือวันกรุงเทพเดียบนหลวงพ่อไปแสดงธรรมบายสามหลวงพ่อก็เลยไปแสดงธรรมเสร็จแล้วก็ในมาพักอยู่ที่จิตโภชนาบ้านคุณหลวงร้านของคุณหลวงที่พวกไปทานอาหารเพราะว่าใกล้สนามบินพอใกล้ๆสนามบินก็ใกล้ๆ้ เครื่องบินจะขึ้นแล้วก็นั่งรถจากนั้นเข้ามาสนามบินแต่ก็ฝนตกนะฝนตกฟ้าร้องอย่างแรงเลยในขณะที่พักอยู่ที่จิตโพชนากรุงเทพฝนตกน้ำมวัววานนะลูกลานตกหลายจุดตกแรงด้วยพอทำมาขึ้นเครื่องสองทุ่มมาถึงวัดก็เลยป่าเข้าไปถึงห้าทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืน นี่หลวงพ่อได้เดินไปทำธุระเขานี่หลายๆอย่างไปอันดับแรกก็คือไปทอดกระถินที่วัดท่านรัตนะพอวัดรัตนะก็ไปตรวจสุขภาพพอวันรุ่งขึ้ น, ว, นวันที่สิบเอ็ดนั่งเครื่องบิน ของคุณชัยเครื่องบินเล็กไนะจุได้สิบคนนั่งจากสนามบินอุดรลงกรุงเทพลูกหลานก็คงอยากจะรู้เหมือนไอเครื่องบินเล็กเนะี่ยบินมันจะไม่พิกไปพิกมาเลยหลวงพออ่อนั่งดีนะถ้ามีเงินเหลือใช้หนะ่อยน่าจะซื้อมาใช้สักลำอยู่ <c oughs> <c oughs> แต่มันแพงเหลือเกินถึงสามร้อยล้านอะหลวงพอ่อถามดูละ เออบินข้ามประเทศได้เหมือนกันนะเป็นลักษณะบินเครื่องบินไอพ่นนะแต่มันเล็กจิ๋วแต่เจ๋อว่างั้นนะลงพ่อนั่งนั่งสิบคนนั่งขึ้นเครื่องที่อุดอรลงที่ดอนเมืองจากนั้นก็ลุงพ่อก็พอนั่งออกลงจากดอนเมืองเขาก็พาหลวงพ่อไปหาหมอเลย พอจุดประสงค์ลงไปคราวนี้กรุงเทพคราวนี้จุดใหญ่ก็คือไปเช็คสุขภาพเอารถเข้าอู่อลูกหลานคณะัาธาญาติโยมก็คงอยากจะรู้เหมือนกันว่ารถของหลวงพ่อเนี่ยชำรุดตรงไหนบ้างาก่อนที่จะไปกัน่หะหมอไก่ที่นายุงได้ฉายเอกเเลยหลวงพ่ อ, อสองสามท่าเหมือนกันนะ ดูไตดูปอดดูกระดูกคพอฉายไปแล้วก็ไปเห็นนิ่วในไตเม็ดใหญ่พอุมควรนะเป็นเซนสองเม็ดมันนอนนอนคู่กันอยู่งั้นค่ะในไตของหลวงพ่อนะทางหมอไก่ทั้นนี้ก็ตกใจพอุมควรนะแต่หลวงพ่อนะเนี่ยเฉยๆมันเกิดขึ้นมาได้ทำยังไง ร่างกายไม่มีโรคจะทำยังไงเกิดขึ้นมาแล้วกแก่แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายเป็นธรรมชาติของสังขารจากนั้นหลวงพ่อกับไปพักที่วัดรวมธรรมเช้ามืดต่างอาจารย์หมอโรงพยาบาลศูนย์อุดรไปตรวจสุขภาพหลวงพ่อไปอดูดเลือดแล้วก็ตรวจปัสสาวะเอามาตรวจที่อุดร เพื่อจะให้ได้ผลส่งไปทางโรงพยาบาลปิยะมหาราชการุณโรงพยาบาลเป็นเครือข่ายของสิริราชอาจารย์หมอใหญ่ของสิริราชเพื่อจะให้หมอตรวจที่นั่นหลวงพ่อก็เลยทางอุดอรเากาเตรียมพร้อมผลการตรวจเลือดผลการตรวจอุจจละผลการเอ็กซเเล จากนั้นก็ลงไปลงจากเครื่องไปเข้าไปทางมหาไอปิดไอโรงพยาบาลปิยะมาหาราชการุณไปคอยอยู่ที่นั่นประมาณสักชั่วโมง ก, กว่าๆเหมือนกันนะเพราะว่าหมออาจารย์หมอติดประชมุมอาจารย์หมอประดิษฐ์เป็นหมอใหญ่จิตมาคือหมออาจารย์หมอทนนันเน ท่านองค์งก็มนตรีดรชาแล้วก็คุณชัยให้ตรวจสุขภาพเวลามีอะไรก็จะตรวจเพตอะนั้นหลัอจากจะให้หลวงพ่อไปตรวจแต่คราวนี้หลวงพ่อเองก็ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ความคิดเห็นไม่ใช่ความเห็นหลวงพ่อที่จะไปตรวจท่านก็บอกว่าหลวงพ่ออายุเจ็ดสิบเอดปีแล้วสมควรที่จะตรวจสุขภาพบ้างถ้าเผื่อมีอะไรจะได้แก้ปัญหาทันท่วงที หลวงพ่อก็ฟังฟังแต่นั่นท่านก็เอาจริงเอาจังเอาเอาจิงเอาจังก็เอาแต่หลวงพ่อวไม่อยากจะไปหานะหาโรคเถ้าหามันก็ต้องเจอไม่เจออันหนึ่งก็เจออันหนึ่งก็เจอจริงๆรนเะพอไปเอ็กซเรย์ก็เห็นเนิ้วในในไตเลยเหมือนกนเราไปหาไปหาราชสัตว์ในป่านะเอาหมาไปราชสัตว์ในป่านะ มันก็ต้องมีเนะี่ยไม่เห็นก็รอกกเห็นก็ไตเห็นเต่าเห็นอตะกวดเห็นจิงเดนตุกจิ้งก่าไปเลยเนะมันต้องมีพราะเลยเข้าไปหามันนะออหลวงพ่อไม่อยากจะเข้าไปหามาันนะมันอยู่นั้นแล้วแหละถึงข่าวไปแล้วกันถึงข่าวไปแล้วหมดอายุสังขารหมดสภาพของมันแล้วก็ออกไปว่าอย่างไงเกิดมาตายแต่ศรัทธาญาติโยม ไม่ว่าอย่างที่หลวงพ่อว่าเขาจะจะตรวจเอาตัวก็ตรวจแต่พอไปตรวจอาจารย์หมอท่านก็ตรวจละเอียดนะอตรวจความดันตรวจคลื่นหัวใจตรวจการเต้นหัวใจจะตรวจกระทั่งหัวใจสีช่องนะมันมันรั่วหรือเปล่าพอตรวจมาก็รั่วจริงๆริงั่วช่องหนึ่งแต่รั่วไม่มาก แต่ว่าใจรั่วจุดนี้ทางอุดร เ, เมื่อสิบปีให้หลังเขาตรวจเขาก็ว่าหัวใจรั่วที่ขอนแกนเขากว่าหัวใจรั่วแต่รั่วไม่มากไม่ถึงกับให้ดูแลรักษาแต่ไปตรวจเขานี่ก็ยังรั่วอย่างเก่าอยู่หัวใจรั่วแต่ต่นนอาจารย์เหนื่อยบอกให้มาหาหมอนะแต่ท่านไม่เหนื่อยก็ไม่เป็นไรเหนื่อยไหมโอ้เหนื่อย ไม่เหนื่อยได้ยัยอายุเจ็ดสิบจะให้เหมือนน้อยหนุ่มได้ยังไงฮชก็เหนื่อยตามปกตินั่นแหละแต่ที่ท่านก็เลยูตัวดูทุกอย่างแล้วกันท่านก็ดูแผนเอ็กเซลที่อำเภอนายงส่งให้ไปว่าเป็นตัวนิ้วเนี่ยนี่ยสองตัวแล้วก็เห็นเลยท่านก็บอกว่านิ้วนิ้วสองสองเม็ดนี่นะมันไม่อยู่ในในช่วงที่อันตรายมันไม่ไม่ ไม่ได้อยู่ในช่องช่องที่มันผ่านปัสสาวะถ้ามันอยู่ในช่องปัสสาวะเนี่ยถ้ามันจะไหลอุดอุดท่อไตก็จะทำให้ไตบวมทำให้ปัสสาวะไม่ออกแต่นี่นมันฝังอยู่ในเนื้อไตเนื้อข้างบนเนื้อข้างบนของไตไม่อันตรายไม่ต้องแตะไม่ต้องทำอะไรมันให้มันอยู่นั่นแหละจนกว่ามันจะมีปัญหาขึ้นมา ยังค่อยว่ากันหลวงพ่ออันนี้ก็คือความความเห็นของของอาจารย์หมอที่ตรวจดูสุขภาพของหลวงพ่อกับส่วนอื่นก็อยู่ในเกณฑ์ดีไม่มีอะไรตรวจ ด, ดูคลื่นหัวใจตรวจ ด, ดูความดันแต่เขาก็เตือนมาว่าไตคิดลายจะสูงไปสักหน่อยประมาณ220สบ แต่ก็ไม่นักหนาแต่ก็ระวังระวังเรื่องอาหารอันนี้ก็คือหมอทั้งหลายก็เตือนหลวงพ่ออยู่แล้วแหละแต่กิจะจายคอเลสเตอรอลสูงไปสักหน่อยแต่อย่างอื่นไม่มีอะไรพกลูกเก้าโรกเกี่ยวกับตับเกี่ยวอะไรก็ดีหมดตามผลตามผลเลือดตามผลเลือดนั้นประมาณสองทุ่มกว่าหลวงพ่อก็กลับออกมา มาพักที่สวนแสงธรรมวันปุงน่งในเช้ากับฉันจังหันโอ้รู้สึกว่าพี่น้องล้นหลามนะเป็นวันธรรมดาแต่คงจะได้ดูเฟซบอกว่าหลวงพ่อลงไปจากนั้นหลวงพ่อก็ไปทำธุระไปเยี่ยมผู้สูงอายุจังหวัดชนบุรีแล้วก็กลับมานอนอีกพักอีกตอนเช้าบินทบาทอีก ก็บินธบาตเสร็จเรียบร้อยเลยถึงยังคอยจะขึ้นมางานกระถินของท่านรัตนะแล้วก็กลับลงไปอีกนะแปลว่าหลวงพ่อหนีจากวัดไปห้าห้าวันห้าหกวันนะลูกหลานนะขึ้นกรุงเทพลงกรุงเทพเหมือนว่าเล่นเลยมอนกับพระน้อยพระหนุ่มเลยเอต่อไปหลวงพ่อคงไม่ไหวแล้วนะลูกหลานนะเอต้องระวังระวังแต่ก็ระวังยากอีกเหมือนกันเออแล้วก็เนี่ยว่ะ ฟังๆเลยนะวันที่20 28คงจะลงไปอำเภออำเภอปะทายจังหวัดโคราชจากนั้นก็คงลงไปพักที่สวนแจงธรรมวันที่29เขานิมนต์แสดงธรรมที่วัดวัดบวรงานเจ้าพกรจุเด็จพระสังฆราชวันที่29เสร็จแล้ววันที่30 ไปฉันกิจโภอชนาเสร็จแล้วนั่งนั่งรถก็มาวัดป่าสารวันอีกฝังฝั่งนู้นลุูกลานนะเป็นตะวินหัวไหมวัดป่าสารวันวัดป่าหลวงพ่อพุทธแล้วเขาจัดงานขึ้นมาเขาในมลหลายปีแล้วหลวงพ่อก็คิดแล้วเบี่ยงแล้วเบี่ยงอีกเหมือนกันนะพอหลวงพ่อไม่อยากจะเดินทางอแต่ข่าวนู้หลวงพ่อขอในมลเท่านะจัดท่านจะคูนมาเองเจ้าอาวาดมาเอง นี่มลหลวงพ่อไปแสดงธรรมที่วัดหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสรวัลนะหลวงพ่อก็เออเอารับไว้พิจารณาแต่ดูๆแล้วก็คงจะได้ไปน่ะคงจะไปกับคงจะไปเป็นวันแรกของท่านอาจจะเป็นวันที่สามสิบก็ได้ไปวัดป่าสารวัลตอนเย็นกลุ่มออกมาจากกรุงเทพอันนี้เล่าเล่าให้ลูก ลูกหลานได้ฟังนะออันนี้ก็คือถ้ า, ล, าลูกหลานดูหลวงพ่ออยู่ในวัดก็คงจะไม่ได้ไปที่ไหนไม่มีภาระอะไรอันนี้แหะหลวงพ่อได้ไปอย่างที่ว่าเนี่ยนะลูกหลานนะเอแต่ว่าเรื่องไปเมื่อค่าวที่แล้วเนี่ยไปที่วัดส่วนหลร ว, วมทําก็ได้พบกับเจ้าของผู้ที่จะสร้างอาคารเรียนให้กับปั้นหัวช้างอ่ะ หลวงพ่อก็ได้ถามกับเจ้าของกระถิงคุณสมบัติเฉลิมมุตินันที่ผู้ที่จะมอบอาคารที่จะมอบเงินสร้างอาคารเพราะบ้านหวยช้างอำเภอน้ำโสมทางอยู่ซ้ายมือวัดของหลวงพ่อห่างไม่กี่กิโลนักเรียนล้นโรงเรียนหลวงพ่อเลยถามกับคุณสมบัติทุบอลก็เลยเราได้ยินแต่คนอื่น ได้ยินจากปากคนอื่นนะคุนสมบัติเรายังไม่ได้พูดต่อหน้ากันเป็นไงทําทหรือไม่ทําเอาหรือไม่เอาหรือจะไงครับผมยืนยันอย่างที่ผมได้พูดแล้วครับสร้างครับก็เป็นอ น, นว่าก็คงจะได้ทําอาคารให้กับโรงเรียนโรงเรียนบันหัวช้างประมาณสี่ล้านกว่านะลูกหลานนะอาคารเดียนหลังนี้ ก็คงจะอีกไม่นานอาจจะเป็นวันพ่งนี้บัลลูนนี่แหละอาจจะเรียกผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สงคุณวุฒิในหมู่บ้านเข้ามาพบแล้วก็ทําความเข้าใจกันเอายังไงกันวางแผนกันยังไงแล้วก็โรงเรียนสมเศร้าวัดใกล้วัดทันรัตะนาก็ลงมือแ ล, ะละ้วล่ะขุดหลุมแล้วเทฐานแหละอันนั้นก็สร้างอาคารให้เด็กเก็บกับเด็กนักเรียนแปดห้องเรียนเหมือนกัน ข้างข้างบนสีข้างล่างสี่แปงเรียนงบกว่าสล้านกว่าเหมือนกันเท่าเรกากลังนี่แหละประมาณสี่ล้านกว่าบาทแต่ละหลังแต่ยังไม่ได้พูดในรายละเอียดมีโต๊ะมีเก้าอี้พร้อมหมดทุกอย่างในเมื่อสร้างแล้วแต่วันที่ส1บเอดก่อนที่หลวงพ่อจะไปเคลื่อนเครื่องก็บพบกับคุณชัยที่ว่าเข้าไปที่โรงเรียนอุดรพิษนะ โรงเรียนรอนพี่ก็ล้นนักเรียนล้นโรงเรียนอีกเหมือนกันตามปกตินักเรียนจะประมาณสามสิบห้าคนตามปกติของนั้นอันนี้มันหกสิบนักเรียนอยู่ในห้องห้องเรียนหกสิบฟังดูอแอร์อัดขนาดไหนเพราะห้องเรียนไม่พอนักเรียนตังหลายพันคนคุญชัยไปเห็นแล้วก็โอ้หน่าจะให้เขานะเขาก็เลยอนุมัตินะหลวงพ่อดีใจด้วยอยู่ดีใจด้วยกับโรงเรียน อุดรพิทยานุ ก, กูลโรงเรียนประจำจังหวัดอุดรท่านกุญชัยจะสร้างให้สีชั้นชั้นล่างทว่างให้สําหรับเด็กออกกําลังกายเล่นวิ่งเล่นได้ชั้นที่สองที่สมที่สี่เป็นห้องเรียนอันนี้งบประมาณยี่สิกว่าล้านเหมือนกันนะลูกหลานนะไม่ใช่หลังเล็กนะนี่แหละหลวงพ่อไปที่ไหนก็หลวงพ่อก็ไปส่งเสริมในการ อประโยชน์ท่านประโยชน์ประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้ดูดายอันไหนที่จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมประโยชน์ตนก็พยายามอย่าให้ขาดตกบกพร่องแล้วก็ประโยชน์พี่น้องประชาชนผู้เกี่ยวข้องอย่างที่พงศหลวงพ่อเล่าเล่าให้ฟังนี่แหละประโยชน์ของร่างกายก็ไปตรวจสุขภาพก็อย่างที่ว่าออตรวจสุขภาพมากันแล้ว ก็เจอแต่ยังไม่ละเอียดพอหรอกถ้าละเอียดกว่านั้นคงจะมีสายเอ็กซเรย์ทั้งทั้งหัวสมองทั้งแข้งทั้งขาพร้อมกันเข้าอุโมงค์อันนั้นคืออนนันไม่ยังไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นเพียงแต่ตรวจแบบหกสิบ็ดิบเปอร์เซ็นต์อันนั้นคือเล่าให้คณะญาติายาโยมลูกหลานได้ฟัง ด้วยศาสนกิจด้วยการเดินทางของหลวงพ่อไปตั้งแต่วันที่สิบจนถึงวันที่สิบห้ามาถึงเมื่อคืนนี้วันนี้วันเป็นที่วันที่สิบหกนะสรุปแล้วคือห้าหกวันที่หลวงพ่อออกจากวัดไปแล้วก็ถึงอย่างไรก็าตามนะลูกหลานคณะสัทธา ญ, ญาติโยมชีวิตของพวกเราเนะี่ยอย่าไปไว้ใจถึงจะ ไปตรวจสุขภาพก็เถอะนะเราไม่มั่นใจในชีวิตของเราเหมือนกันชีวิตของเรามันมีลมหายใจเข้าออกนะั้นเห็นไหมต่างประเทศเขาเขาคิดว่าเขาจะตายไหมบางทีก็เอาอปืนมายิงกันเล่นตายเป็นบือนั่นแนหะชีวิตของพวกเราไม่น่าจะมาเกิดอีกต่างหากในโลกเลยจะทำยังไงจะชาระใจยังไง จึงจะพ้นทุกในวัฏฏะสงสารตามแนวแถวของพุทธะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามีช่องทางถ้ามาเกิดอยู่ในโลกวัฏฏะสงสารเนี่ยเราก็ต้องเป็นอย่างนั้น เ, เกิดแล้วก็แก่เจ็บแล้วก็ตายาการตายเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าจะตายดีทุกคนาตายด้วยลูกอะไรลูกระเบิดลูกปืนอะไรก็มีตั้งเยอะแยะตกเครื่องบินาสารพัดจายสารพัดตายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้เห็นนะ่ะ แต่เราจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่มีใครปฏิเสธอย่างนั้นได้อีกเหมือนกันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับตัวของเราอีกเหมือนกันเพราะนั้นท่านจึงมาบอกว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีเอาไว้ให้สร้างบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเอาไว้ถ้าเมื่อเรามีบุญกุศลในจิตใจแล้วบุญกุศลนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองของเราเมื่อออกจากโลกนี้ไปแล้วนะเราก็จะบุญกุศลเจนเป็นผู้พานา เราไปสู่ความสุขแต่ว่าเรามีบุญถ้าว่าใจขาดจากชาตินี้แล้วเราอาจจะไปเกิดเป็นที่ดีกว่านี้หรือไปเกิดสวรรค์หรือไปเกิดที่ไหนๆก็ได้เพราะเรามีบุญตามขั้นตอนแต่เรามีบาปถ้าเราทามแต่บาปบาปของเราเป็นเพื่อนสองบาปมันไม่เอื้ออหนวยไมด้มีแต่พาชักตกนรกหลุมไหนลึกๆนะถ้าทาบาปทำบาปหนัก อถ้าทำบาปเบาขึ้นมาเลยครัมาเป็นเปรตมาเป็นสัตว์ที่ตาฉานมาเป็นคนบ้าใบหูหนวกตาบอดเป็นได้ทั้งนั้นอันนี้คือบาปอกุศุลเป็นเพื่อนสองนำดวงจิตใจของพวกเราไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะฉะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ประกอบคุณงามความดีสร้างบุญกุศลให้เป็นเพื่อนสองของเราจะดีกว่าไม่ใช่เหรอพอเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนา ได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายมีแต่แนะนําสั่งสอนพวกเราให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงเอในหลักธรรมคําสอนของพุทธะนะแต่พวกเราท่านทั้งหลายอยู่ตั้งอยู่ในความประมาท หากินเป็ น, ปนวันอยู่เป็นวันวันแล้วก็หาเงินเงินคำทรัพสมบัติใครได้เงินมากก็แปลว่าผู้นั้นฉลาดยกยอปอปั่นกันยอดยกเชิดชูบูชากันว่านได้เงินมากเป็นที่เป็นหน้าเป็นตาในชุมชนสังคมแต่ในหลักของพุทธศาสนาท่านไม่ได้ยกย่องคนที่หาเงินได้รวยๆท่านไม่ได้ยกย่องแต่ยกย่องอยู่ ยกย่องในระดับหนึ่งแต่ถ้าว่าคนนั้นหาแต่เงินอย่างเดียวไม่ได้หาคุณงามความดีไม่ได้หาบุญไม่ได้สดสาสแสวงหาบุญเข้าสู่จิตใจแล้วหลักของพุทธศาสนาไม่ได้ยกย่องนะถึงจะรวยก็รวยไปเถอะแต่รวยกับเงินทั้งหลายทั้งปวงเนะ่ยส่งร่างกายของเราเข้าไปโรงพยาบาลเท่านั้นเองเอส่งเครื่องโรงพยาบาลกับหมอก็ตรวจกับจ่ายเงินให้หม อ, อผลในส่วน ดูไปดูมาจ่ายไปจ่ายมาหนักเข้าหนักเข้าอก็ใช้เงินนั่นแหละให้หมอดูแลรักษาดีที่สดุดเพราะในสุดก็ตายโดยมากไม่เกินนั้นนะพวกเราเห็นไหมคนเป็นหมื่นปีพันปีหมื่นปีเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมนี่แหละคนถึงร้อยกว่าปีแล้วก็ตายแต่ก่อนที่เขาจะตายเขาก็ใช้เงินนั่นแนะหละเงินดูแลรักษาให้ดีที่สดุดของดีที่สดุดยาดีที่สดุดหมอดีที่สดุด อดีที่สุดเนี่ยนะส่งเงินส่งถึงโรงพยาบาลไม่เกิดนั้นตายจากนั้นญาติพี่น้องที่เนี่ยลูกของข้าดีล้านของข้าดีสามีภรรยาของข้าดีที่สุดพี่น้องของข้าญาติกะกูลของข้านดีที่สุดเป็นที่พอใจอญาติพี่น้องที่วัน ด, ดีที่สุดนั่นก็ส่งถึงเมนอพอถึงถึงเมนก็ยัดเข้าเมน กับไฟเผาถึงไม่มีไม่มีใครที่จะโดดเข้าไปเป็นเพื่อนสองอีกเหมือนกันนะ <_ d ata> อ, อพอสงฆทึ่งเบนก็นต่างคนวางดอกไม้หยาดไปดีเดอร์สั่งลากันสิ่งที่มีอะไรก็ใ ห, ให้ให้อโหสิกรรมกันเจนเนอที่ทําอะไรไม่ถูกไม่ต้องอโหสิเรากอโหสิให้กับ อ, อท่านร่างของท่านใจของท่านท่านก็ให้อโหสิกับเราเดอร์พอวางดอกไม้เสร็จแล้วก็หันหลังออกมาไม่มีใครจะไปเป็นเพื่อนอีกละท่นี่ นี่แหละข่าวนั้นแหละอั ต, ตหิอั ต, ตโนนาโถหระะนะือเปล่าเนี่ยตนแลเป็นที่พึ่งของตน โ, โกหินาโถปรโรซียาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเรานอกจากใจของเราใจของเรานนะที่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้บุญกุศลนั่นแหละลจะเป็นเพื่อนสองเราเดินเดือนเดินเคียงข้างเราไปหละปะนะายบันี้ถ้าว่าเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศล มีแต่บาปอกุศลบาปอกุศลนั่นแหละจะเดินเคียงข้างเราเพราะฉะนั้นให้พวกเรานาะมองดูที่ว่าในชีวิตของเราตั้งแต่บัดนั้นมาถึงบัดนี้เป็นที่อุ่นใจได้อย่างเป็นที่พอใจละอย่างในการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราทั้งว่าพวกเรายัางห่างเหินอยู่ก็ควรพยายามประกอบคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของเราไว้ให้มากเตรียมไว้ให้ดีนะคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะ ที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อเป็นผู้ชี้นำชี้แนวทางสำหรับพวกเราจริงไหมอพอหลวงพ่อพูดไปแล้วหลวงพ่อก็จะตลบท้ายว่าจริงไหมพวกเราทบทวนเีิเลยจริงหรือไม่จริงนะหลับพร อ, อนุประสงค์อนุโมทนาให้พร